Thank mm -hmm. you.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 ทำยังไงตอนนั้นเป็นการศึกษาแล้วศึกษาคือหลุงย่อยย่อยออกมีสติกอะพ้นจากภาวะที่ลหลงบางทีมีสุกมีทุกข์มียากม่ง่ายแล้วก็มีสติเลื่อยไปสตินี่เป็นคาถาต้นล้วนไม่ต้องอธิบายถ้าผิดว่าถูกอย่างไงถ้าธิบายสติไปก็เป็นอัฐาคาถา อธิบายอักคาทาอีกเป็นอิติวุตตะหรือเป็นอะไรไปอีกก็ววมัวแต่อธิบายอยู่ก็เสียเวลาเปล่งลู่ไปเลยลู่ปไปเลยอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกให้มีสติล้วนล้วนทิฐิถูกมีสติเห็นสุกทุกขมีสติเห็นยากง่ายมีสติเห็นเอาไปมาสติก็เลยห้องตัวไม่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 ชีวิตของผู้มีสติมีธรรมมีศีลอันมั่นคงเพราะพึ่งขาดตนดีแล้วือนช่างนักลบไม่เจ็บปวดเวลาเข้าสู่สงองรามก็ไม่กยจาศบาดวันสูกลูกศรลูกธนูศัตรูคู่ดิก็ไม่หวั่นไหวจึงเป็นนักลบได้ชีวิตของเราควรจะเป็นนักลบตับข่าจึกภายในชีวิตเราความยากความ่ายมันมา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 ล่างไปล่างไปแล้วจบจนรู้เจ้ามองอัญญาคนอัญญาอะอัญยารู้แล้วหรือสไมจึงถามคํำนี้เพราะมีปฏิกิยาอันยาก็จะว่ารู้แล้วรู้ไม่เที่ยงรู้แล้วสิใดไม่เที่ยงรรรรรสิ่งนั้นเป็นทุกข์รู้แล้วสิใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน ร, รู้แล้วสิใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราว่าของเรารู้แล้ว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 ที่สูงทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันในโลกเนี่ยเราก็มีสติเนอยู่คนเดียวมีกันระยานธรรมเหมือนก็อยู่กับหมูมื่อก็ได้ช่วยหมูมิดไม่ทำอะครเดือดร้อนลําบากอยู่กับหมูก็เหมือนกับอยู่คนเดียวคนมีสติมันก็อยู่โดยชอบเนาเพราะได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความปิดเป็นความรู้เปลี่ยนความตกเป็นความรู้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 สาธยาสิบสามสิบนาที น, นั่น่ก็บางธรรมกันต่อแต่บางสำนักเนี่ยพอทำวัดจบนั่งรมสมาธิตัวกันอวดกันไม่ค่อยดีพระสงฆ็นั่งหันหน้าหายมยอดยมก็นั่งสร้างจิตวิบัิปฏิบัติธรรมต้องวนตัววนตัวถ้าเป็นส่วนรวมก็ได้ถ้าหลังจากรมวัดนยต้องเป็นการแสดงธรรมก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป